บทสวดธรรมวัดเช้าเย็นจัดทาโดยวัดพ ร, รามเก้าการชนาพิเศษกรุงเทพมหานครสวรดนาโดยพระเดชพระคุณพระเทพพญานวิสิทธิ์เจ้าอาวาสวัดพ ร, รามเก้าการชนาพิเศษพร้อมคณะสงฆ์บทสวดธรรมวัดเช้าเย็นแปลนี้วัดพ ร, รามเก้าการชนาพิเศษได้จัดทําขึ้นเป็นพิเศษหนึ่งในมหามงคลสมัย สมเด็จพระเทพรัตนาราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงเจริญพระชนมพรรษาครบสี่รอบ48พรรษาทั้งนี้เพื่อให้ประชาชนชาวไทยและชาวพุทธได้มีโอกาสศึกษาและฝึกหัดในการสวดมนต์ประจําวัน เจ้า cuando ดิสสะปะปิจิตาโยโนภะคะวะสัทภะยัสจามยังพกวะโตธรรมังโรเจมะเอเตหิสกาเรหิตังภะวันตังสสะธรมังสสะวะคัสังคังอะพิปูชยามะอันดานิมายันทางพกวันทางวาจายะอะพิขุตุงปุปปภะกนมมะการัง กโรมะเสนามวัสสัมภเวสุขอน่อมหน่อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหัตุลซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสัมมาสัมบูดาสะ ตาจรู้ชอบได้โดยพระองค์เองนามวัทัสสะภะวะโต อ, อนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารหารัสโตซึ่งเป็นผู้ไกาจากกิเลสสมมาสมบุทธทัสสะราจะรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง นามวัตสาภะวะโตอดลอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอารังหะโตซึ่งเป็นผู้ใครจากกิเลสส ม, มาสัมุทัสสะตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เอง ทันดรมยังบุต ธ, ธาภิธูติงกรโรมาเสงย่ยอสโสอัตถ า, ากะรตรลาตธ า, ากคเจ้านั้นพระองค์ไงอรหังเป็นผู้กาจากกิเลสสัมมาสัมพุธทธ เป็นผู้ตัดสู้ชอบได้โดยพระองค์เองวิญญาจารณะสัมพันนัวเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจารณะสุขะโตเป็นผู้ไปแล้วด้วยดีโลกกวิดูเป็นผู้รู้โลกอย่างแจ่มแจ้ง อนุตตรวุปุริรรสัดถมาราธีเป็นผู้สามารถฝึกบุรุษที่สมควรฝึกหน้าอย่างไม่มีใครยิ่งกวา่าสาธาเดวมนุษยานังเป็นครูผู้สอนของเทวดาและมนุษย์ทั้งหลายบุทโทเป็นผู้รู้ผู้เื่นผู้เบิกบานด้วยธรรม พระทวารเป็นผู้มีความจำเริญจำแนกธรรมสังสอนสัตวยโยอิมังโลกังสเดวกังสัมมารังสัประมังสัสามมณพระมณิงบจังสเดวมโนสังสยังอภิญญาสจิกขทวาระเวเดศิราผู้มีพระพาเจ้าพระองค์าย ได้ทรงทําความดับทุกข์ให้แจ้งด้วยพระปัญญาอันยิ่งเองแล้วทรงสอนโลกนี้พร้อมทั้งเทวดามารพรมและหมู่สัตว์พร้อมทั้งสมาณพราหมณ์พร้อมทั้งเทวดาและมนุษย์ให้รู้ธรรมยัวธรรมังเกเสจิระภูมิพระพากเจ้าพระองค์ใด ทรงแสดงทำแล้วอานิกันลยานังใยเรอดในเบื้องต้นมาแชกันลยานังให้รอดในท่ามกลางปริโยสานกันละยานังใยเรอด ใ, ใ, ในที่สุดสาสทาันน้งสัพพยัญญนางเกวราปริปุณังปริสุทธิังบ ร, รัมมจริยังบากาเสสี ทรงประกาศพรหมจรรย์คือแบบแห่งการปฏิบัติอันประเสริฐบริสุทธิ์บริบูรณ์สิ้นเชิงร่งทั้งอัตถ า, าร่วมทั้งพยัญชนะพรมาหงรรังภะควันตังอภิภูชยามิข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งเะพะพระผู้มีพระพาคเจ้าพระองค์นั้น ตามาหั่นพระวันทังสิระสาณ า, ามามีถ้าพระเจ้าขอรอบ น, อบนอบ้อ ม, มพระผูมีพระภเจ้าพระองค์นั้นด้วยเสียงกล้าวอันดัมยังธรรมาภิธุติงกรโรมาเซยนโยอสวาคาโตภะกาวาตาธรรมโม ะ้ ร, รรมนั้นใดเป็นธรรมที่พระผู้มีพระภาคเจ้าได้ตรัสไว้ดีแล้วสั้นเอฏิโกเป็นธรรมที่ผู้ศึกษาและปฏิบัติพึงเห็นได้ด้วยตนเองภาการิโกเป็นธรรมที่ปฏิบัติได้และให้ผลได้ไม่จำกัดการเอหิปัสสิโก เป็นธรรมที่ควรกล่าวกับผู้อื่นว่าท่านจงมาดูเถิดโอปนัยิโกเป็นธรรมที่ควรน้อมเข้ามาใส่ตัวปัจจัดตั้งเวทิตบูวินยูหิเป็นธรรมที่ผู้รู้ก็รู้ได้เฉพาะตนอาหังธํา ม, มังอภิปูญ ย, ยามิ ข้าพระเจ้าบูชาอย่างยิ่งจะาอรพระธรรมนั้นธรรมะหังธรรมังศิ ร, รษานามามิข้าพระเจ้านอบน้อมพระธรรมนั้นด้วยศีลเล่าอันดัมยังสังฆาภิทุติงกโรมาเส โยนโซสุปฏ ok ิป ok ันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระพาเจ้านั้นหมู่ใดปฏิบัติดีแล้วโวนยุปฏิปันโนภะกวาโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระพาเจ้าหมู่ใด ปฏิบัติตรงแล้วยายาปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูดายปฏิบัติเพื่อรู้ธรรมเป็นเครื่องออกจากทุกข์แล้วสาวมีจิปฏิปันโนะภะคะวะโตสาวกสังโฆ สงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าหมูได้ปฏิบัติสมควรแล้วยะติดังได้แก่บุคคลเหล่านี้คือจาตาริปุริสายุคานิอัตถภุริสปุคลาผู้แห่งบุรุษสีคู่นับเรียงตัวบุรุษได้แปดบุรุษ เอสพภะวะตสวสาวกะสังโฆนั่นแหละสงสาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าอาวุเนยโยเป็นสงควรแกสัการะที่เขานำมาบูชาปาวุเนยโยเป็นสงควรแกสัการะที่เขาจัดไว้ต้อนรับักทินยโย เป็นสงควรรับทักษิณาทานอัญเชิญิรณิโยเป็นสงฆ์ที่บุคคลทั่วไปควรทำอัญเชิีอานุตตรังบุญยัคเทตังโลกัสะเป็นเนื้อนาบุญของโลกไม่มีนาบุญอื่นยิ่งกว่าธรรหังสังฆอภิพูจ ย, ย, ยามีข้าพรเจ้าบูชาอย่างยิ่ง ชาพราพระสงมูนั้นอามะหังสั่งคังสิระช า, ามามิอ้าพระเจ้าขอนอบน้อมระสงูนั้นด้วยศีลว่าท่านดัมมายังรัตนัตยปนามกาธาโยเจวะสังเวขวัตถุปริดีปะกะปาทันชาพนามเส วุทวสุดสุดทวกอรุณามาหั น, นวุพระพุทธเจ้าทรงเป็นผู้บริสุทธิ์มีพระการุณาดุด่วงมหันลบโยันตาสุทับมรรายานโรโนพ ร, ระองค์ใดมีอาคือยานอันประเสริฐหมจดจนถึงที่สุด โลกาสภาพูปัิเวสขาตะโกเป็นผู้ฆ่าเสียซึ่งบาปและอุปกิเว ส, ข, เ ข, ส, ส, เวสของโลกวันลามิมุธทงอามามาเรณตังขา้าพเจ้าไวพระพุทธเจา้าพระองค์นั้นโดยใจทารุเพื่อเฟือ่อธัมโมปฎิปวิยาตัสสะสัตุโน พระธรรมของพระศาสนาสว่างรุ่งเรืองเปรียบดวงอาทิตย์โยมกบาก า, มาเมตเตปินะโกจำแนกประเพื่คือมรค น, นึกมาสาวนได้โลกุตโรโยจตตัดดิปโนซึ่งเป็นตัวโลกุตลระ และส่วนในที่ชี้แนวแห่งโลกุตระนั้นวันนามิธรรมังอาหามานเรณตังอาภิชาวัยพระธรรมนั้นโดยใจเคารพเอื้อเฟือ้อสร้างค้อสุขเขตาปยาติเตศสัญญโตระสงเป็นนาบุญอันยิ่งใหญ่กว่านาบุญอันดีทั้งหลาย โยนิท uh ัส ah ัตโตสุขตานุบุตรโกเป็นผู้เห็นพระนิพพานรัสรู้ตามระสุขมลายโลละปาหีโลอริโยสุเมทะโสเป็นผู้ละทิเลเครื่องโลเลเป็นพระอริยเจ้ามีปัญญาดีมันดามิสังฆังอหามาดเรนะตัง ข้าพระเจ้าว่ยพระสงฆ์หมู่นั้นโดยใจเขารบเพื่อเฟื่ออิเทวะเมกันตะภิกขุชนัยกังวัตุตยังวันได้ตาภิสังกตังปุนยังมายายังมามัสสุ บ, บัตตะวามาอุนตุเวตัสับบภพาวาสิทธิยา บุญในที่ข้าพเจ้าผู้ว่ายู่ซึ่งพระรัตนตรายอันควรบูชายิ่งโดยส่วนเดียวได้กระทำแล้วเป็นอย่างยิ่งเช่นนี้นขออุปัตวะทัววท้งปวงจองอย่ามีแก่ข้าพเจ้าเลยด้วยความสำเร็จอันเกิดจากบุญนั้นอิทาตาธากตะทลโอเกอุปน พระตถาคตเจ้าเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อาระหังสัมมาสัมบุตรเป็นผู้ไกลจากกิเลส ร, รัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธรมมวจดสิตโตนิยานิโกและพระธรรมที่ทรงสแสดงเป็นธรรมเครื่องออกจากทุกข์อุปาัสสมิโกปริณิบานิโก เป็นเครื่องสงบกิเลสเป็นไปเพื่อปาริภิพานสัมโลทากามีสุขตะพพเวนิโตเป็นไปเพื่อความรู้พร้อมเป็นธรรมที่พระสุขตรประกาศมายันตังธรรมังสุตวาเอวังยานามะพวกเราเมื่อได้ฟังธรรมนั้นแล้วจึงได้รู้อย่างนี้ว่า ชาติปีตุคาแม้ความเกิดก็เป็นทุกข์เรลาปิตุคาแม้ความแก่ก็เป็นทุกข์มรรฐาปีตุคาแม้ความตายก็เป็นทุกข์โสขปริเบวดาลุคาโดมณสุปายาซาปิตุคาแม้ความโศกความร่ำไรร่ำพัน ความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจก็เป็นทุกข์อปิเยหิสัมปโยโกรุโคความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปิเยหิวิปโยโกรุโคความลักแรกจากสิ่งอันเป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ ามบิช่างนำลพภติธรมบิลุกขังมีความปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั้นก็เป็นทุกข์สัง้งจิตตณนบปัญจุปาดานขันธาลุค้าว่าโดยย่อปูปาทานขันทั้งห้าเป็นตัวทุกข์เสยยาทีดังได้แก่สิ่งเหล่านี้คือรูปปูปาดานขันโท ขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดม e ั่นคือรูปเวทนาปานาขันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาสั้นอยู่ปานาคันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสัญญาสร้างการูปปานาคันโทขันธ์อันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือสังขาร วิญญาณูปานานักขันโตขันอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือวิญญาณเยสร้างปริญญายาเพื่อให้สาวกกำลัดรับรู้อปาทานขันเหล่านี้เองอารามาโนโซภะคะวานพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นเมื่ อ, อยังทรงพระชนอยู่ เอวังบาหุลังสาวเกวิเนติย่อมทรงแนะนำสาวกทั้งหลายเช่นนี้เป็นส่วนมากเอวังภากาจพันสสะภะวะโตสาวะเกสุอนุสาสนีบาหุลาปวัตติอันหึ่งทำสั่งสอนของราผูมีพระพเจ้านั้น ส่วนมากย่อมเป็นไปในสาวกทั้งหลายมีการจำแนกอย่างนี้ว่ารูปังอนิจจังรูปไม่เทียงเวทนาอนิจจาเวทนาไม่เทียงสัญญาอนิจจาสัญญาไม่เทียงสังขาราอนิจจสังขารไม่เที่ยงวิญญาณังอนิจจัง วิญญาณไม่เที่ยงรู ป, ปังอานาตารูปไม่ใช่ตัวตน idades, เวทนาอานานตาเวทน า, นาไม่ใช่ตัวตนสัญญาอานตาสัญญาไม่ใช่ตัวตนสังขาราอานาตาสังขารไม่ใช่ตัวตนวิญญาณังอานาตาวิญญาณไม่ใช่ตัวตน สัเมสังขาราอนิจจาสังขารทั้งหลายทั้งปวงไม่เที่ยงสัพเพธรรมาอนัตตาติธรรมทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนดังนี้เทมายังโอทินามะผู้เราทั้งหลายเป็นผู้ถูกครอบงำแล้วจาติยาโดยความเกิด ยารามารเนนาโดยความแก่และความตายโซเกติปริเทเวหิโดเคหิโดมาเซหิอุปายเซหิโดยความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจความขัดแค้นใจทั้งหลายโยโคตินา เป็นผู้ถูกความทุกข์อย่างเราแล้วลุกคาเปเรทาเป็นผู้มีความทุกข์เป็นเบื้องหน้าแล้วอเปวนามิมา ส, สะเกวราสะดุขาคันตาสาอันตากิริยาปัญญาเยธาติทำชะไหนาการทำที่สุดแห่งกองทุกข์ทั้งสิ้นนี้จะพึงปรากฏชัดแก่เราได้ จิละปริณิบุธรรมปิตังพระกวันตังสรารนังกตาเราทั้งหลายพูดถึงแล้วซึ่งพระผู้มีพระภาคเจ้าแม้ปริพา น, านานแล้วพระองค์นั้นเป็นสรารนณะธรมมันจะปิกุสรขัญจะถึงพระธรรมด้วยถึงพระภิกษุสงฆ์ด้วย อาสัพภะวะโตสาสนังยัทาสติยัทพลังมานสิกโรมะอนุปฏิปัชามะจะทำในใจะอยู่ปฏิบัติตามอยู่ซึ่งคำสั่งสอนของพระผู้มีพระภาคเจ้านั้นามสติคำลังซาซาโนปฏิปติขอให้ความปฏิบัตินั้นๆของเราทั้งหลาย อิมาสเกวะาสักสดุขคันดัสสะอันตะกิรยายาสังวตัตตทุจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกทั้งสิ้นนี้เถิดจีระปรินินปุธมัมปิาาทางพระกวันทตังอุติสะอรหันตังสัมมาสมัมพุทธังเราทั้งหลายอุติจะขอพระผู้มีพระภาคเจ้า ผู้ไกลจากกิเลสรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองแม้บริพพานานและพระองค์นั้นสาัทธาอาการสมาอนาุการิยังปัจจิตาเป็นผู้มีศรัทธาออกบวชจากเรือนไม่เกี่ยวข้องด้วยเรือนแล้วตัสมิงภะกวาติพระมจริยังจารามา พระพุทธอยู่ซึ่งพระมรร์นในพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นเิกขคูนัง้งสิข้าสาชีวสมาพนาถึงร้อมด้วยศิขาและทำเป็นเครื่องเลี้ยงชีวิตของมิสูทั้งหลายลังโลกระมจริยังอมัสสเกวราสาดุขคันทัสสะอันตากิรยายสังวตัตตุ ขอให้พรหมจรรย์ของเราทั้งหลายนั้นจงเป็นไปเพื่อการทำที่สุดแห่งกองทุกขั้งสิีนน้เธินท่านธรรมยังอภินหะปัจเวคคณะป่าทั้งคนามาเสวสยาราธรรมโมมิเรามีความแก่เป็นธรรมดา เมรังอนัตติโต้ล่วงความแก่ไปไม่ได้เมื่อยาธิธ ร, รมโมมีเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดาเมริงอนัตติโต้ล่วงความเจ็บไข้ไปไม่ได้เมรณนธรรมโมมีเรามีความตายเป็นธรรมดาเมารังอนัตติโต ล่วงความตายไปไม่ได้สาเมยิเมปิเยยิมะนาเปยินานาภาโวพินาภาโวเราละเว้นเป็นต่งางๆคือว่าพระราษฎรของพระของเจริญใจทั้งหลายทั้งพวงกรรมมาสะโกมิเราเป็นผู้มีกรรมเป็นของของโตนกรรมมาดาญาโด เป็นผู media media. Media. ้รับผลของกรรมกรรมโยนิเป็นผู้มีกรรมเป็นกรรเนิดกรรมมาบันฑูเป็นผู้มีกรรมเป็นเผ่าพันกรรมมาปฏิสารโนเป็นผู้มีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกรรมังกริษามิจากกรรมกรรมนันได้ไวกัรลยานังวาปาปะกังวา ดีหรือชั่วตาสดาญาโดภวิษามิจกเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นเอวังอามเฮอาพินหั่งบัจเวกิตะังราวทั้งหลายคืนพิจารณาเนืองๆงอย่างนี้แล